ทวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสนีสนทนานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับท่านฟังอีกเช่นเคยในกลางเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์สำคัญแห่งชาติไทยเลยนะคะ mm hmm. เพราะในสัปดาห์นี้เรากำลังจะมีวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทำทำความดีนี้เราก็สามารถที่จะถวายเป็นกระพร ชัยมงคลให้กับพระองค์ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะคะท่านพุ่มเดยการหลักสูตรลยิกเรนวัดป่าดอนหายโศกซึ่งจะมานำท่านปฏิบัติธรรมในเวลาต่อไปกร่าวมาพิการกันทั้งคะเจริญก่อนจะปฏิบัตินะคะขออนุญาตกราบเรียนถามท่านได้ไหมคะว่าอย่างกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนี่ยที่ฟังรายการแล้วเดี๋ยวจะปฏิบัติธรรมตามท่านเนี่ยสามารถที่จะถวายในความดีที่เราได้ทำเนี่ย เป็นพระพรให้กับสมบุทพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนพรรษา น, นี่ได้ไหมคะถูกต้องเลยอันนี้เป็นการตอบแทนที่จะพอเสมอกัน <c oughs> นะ น, นี้มีพุทธพจน์ที่ได้ตรัสบอกเอาไว้นะว่าเออถ้าจะบูชาจะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยการที่จะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมหรือทรัพย์สินเงินทองอย่างใดๆเนี่ยอันนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการบูชา ยังไม่ได้รับการบูชาเลยชื่อว่ายัางไม่ได้รับการบูชาด้วยซ้ำแต่การบูชาที่ตราคตได้รับการบูชาเนี่ยก็คือการที่ปฏิบัติธรรมอันนี้คือบูชาพระบุทรเจ้านะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นบุญคุณของบุคคลในบุคคลหนึ่งเช่นในช่วงเดินสิงหาเอาเราเห็นบุญคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือจะเห็นบุญคุณของมารดาบิดาของเราเนี่ยเราทําความดีนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ใช่ เฉพาะเรื่องของนั่งสมาธิเท่านั้นยังรวมถึงการพูดที่เป็นสัมมาวาจาไม่ใส่ร้ายการพูดดีๆกันให้กำลังใจกันการกระทําทางกายไม่ว่าจะเป็นอาสาสมาัครหรือว่าช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางกายเนี่ยให้ทานพวกนี้ถือว่าเป็นการทำความดีทางกายวาจาใจเป็นการบูชาที่พอจะเสมอกันได้แน่นอนนะคะงั้นก็นิมนต์ท่านเลยค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาปฏิบัติทางจิตกัน การปฏิบัติทางจิตนั้นเริ่มต้นด้วยการที่ให้เราตั้งสติขึ้นให้มานึกถึงลมหายใจของเราใน ล, ลมหายใจของเราที่ผ่านออกผ่านเข้าอย่างเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาให้เรามาระลึกนึกถึงอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้คือตรงไหนเพราะว่าลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่ตลอดมันยาวๆก็ไปในถึงออกถึงท้องเวลาที่เราจะมานึกถึงลมหายใจนั้นเราไม่ต้องตามลมพระพุทธเจ้าเบ ร, บรบเมือกับ ในทบานหรือว่ายามที่เขาเฝ้าประตูเขาก็จะอยู่บริเวณประตูเขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงในตัวอาคารตามเข้าไปก็ น, นิดนิดหน่อยหน่อยหรือจะไม่ได้ตามออกไปจนถึงข้างนอกไปที่ไหนที่ไหนอาจจะดูก็อยู่บริเวณนั้นในบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราจะมารับรู้ดูลมหายใจของเราในที่เป็นทางเข้าทางออกของลมเนี่ยก็คืออยู่ในบริเวณโพรงจมูกเรารับรู้ได้ณนะที่ตำแหน่งไหน เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นบางทีลมหายใจมันอาจจะรับรู้ดูได้ไม่ชัดเจนสําหรับบางคนคนที่เป็นอย่างนี้ก็ให้ใหายใจแรงๆสักสองถึงสครั้งพอเราหายใจแรงๆสัก 2- ถึงสครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ตรงไหนก็เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นการที่ตั้งจิตขึ้นนี่แหละก็เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานสติก็คือการระลึกได้ปัฏฐานนี่ก็คือฐานที่ตั้ง นะเอาฐานให้จิตมาตั้งอยู่ตรงนี้ฐานตรงนี้คืออะไรในที่นี้คือลหมหายใจเราลหมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งแห่การระลึกถึงระลึกถึงคือการที่เรานึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้ในที่นี้แทนที่เราจะไปคิดนึกเรื่องอื่นๆใ ด, ดให้เรามาคิดนึกเรื่องของลงหมหายใจลหมหายใจนั้นบางทีมันก็สั้นบ้างยาวบ้าง ลึกบ้างเบาบ้างนาแรงบ้างชัดเจนบ้างหรือแผ่วเบาบ้างเนี่ยเราไม่ต้องไปบังคับลมให้ลมนั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติระบบในร่างกายนี่เขาจะปรับอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าจะต้องการออกซิเจนมากน้อยอย่างไรทีห่างเร็วช้าอ ย, อย่างไรให้เป็นไปอย่างธรรมชาติเราไม่ได้มาฝึกการหายใจแต่เรามาฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ เราไม่ได้มาฝึกให้ลมหายใจสั้นยาวต้องบังคับอย่างนั้นอย่างนี้จังหวะเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่แต่เรามาฝึกจิตฝึกจิตให้มาอยู่กับลมหายใจลมหายใจที่เป็นอย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมพอเรามารู้ตั้งสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้แล้วจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะใหมารู้ถึงเข้าใจถึงอริยสัจสใหมารู้ถึงเข้าใจถึงเรื่องของความทุกข์ใหเรามาทาความเข้าใจ ในกรณีที่ว่าเรามาตั้งสติเนี่ยเป็นมรคอันหนึ่งสตินี้เป็นมรคแปลว่าเป็นหนทางเป็นหนทางเป็นปฏิปทาที่จะทำให้เราไปถึงความแจ้งคือการที่ตันหามันไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยอย่าให้มีความอยากอย่าให้อยากว่าฉันต้องได้สมาธิอย่าให้อยากว่าต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้ามีความอยากเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตรงกันข้ามกับสมาธิทันทีถ้ามีความอยากนี่ชื่อว่า นั่งสมาธิคราวนั้นนี่ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยแต่ยิ่งเพิ่มพูตนตฐานามากขึ้นบางคนอาจจะนั่งสมาธิแล้วมีความสุขโอ้แล้วก็อยากได้ความสุขแบบนี้อีกอันนี้ถือว่านั่งผิดวิธีถึงแม้จะมีความสุขก็ตามจะเย็นก็ตามจะเบาก็ตามแต่ว่านั้นมีจิตลุ่มหลงพอใจกำหนัดกล็ดกล้วในสุขเวทนานั้นอันนี้ถือว่าผิดเราจะให้ถูกแต่ความถูกนี้บางทีอาจจะไม่ได้มีความสุขเกิดขึ้นอาจจะมีความทุกข์ก็ได้โอ้โหต้องมาทนนั่งกันหลังขดหลังแข็งปวดก็ปวด แต่ว่าพอมีความทุกข์อย่างนั้นแล้วก็อดทนแต่พยายามที่จะไม่ให้ราคะเกิดขึ้นให้มีสติตั้งเอาไว้อันนี้ถือว่าถูกวิธีเรามาฝึกสติของเรานะดูที่จิตสำคัญนะเรื่องของทางกายมันก็ปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยพอเราฝึกตั้งสติขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงในเวทนาที่เป็นสุขตามเป็นทุกตามเนี่ยอันนี้ถือว่าเราสาเร็จประโยชน์ของการทาสมาธิ ให้เราสามารถที่จะฝึกโดยการใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องมือให้ฝึกสติตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้มารู้ตามความเข้าใจเดินตามมรรคแล้วก็จะทำความเข้าใจอริยสัจสีได้นั่นเองจเจริญพานใช่ทุกค่ะมีคําถามเลยครับท่านครับเิญพาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจากท่านฟังท่านหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะชื่อคุณพรคุณพรก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนั่งสมาธิที่เมื่อสักครู่ท่านได้พูดว่า มันจะเมื่อยจะปวดอย่างไรเนี่ยนะคะคุณพรบอกว่าขณะที่นั่งสมาธิแล้วเกิดเมื่อยให้ภาวนาว่าปวดหนอปวดหนอยิ่งใจไปจดจอก็ไม่เป็นสมาธิมไม่หายปวด อ, อยากทราบว่ามีกุศโลบายอย่างไรเพื่ออะไรและทำอย่างไรจึงจะถูกต้องคะโอเคคำนี้ชัดเจนเลยที่บอกว่าอพอเกิดปวดเมื่อยใช่ไหมแล้วก็ภาวนาเนี่ยคาว่าภาวนานี่คือคุณจะอาจจะท่องบทแน แบบปวดน้อปวดน้อยตรงนั้นไปใช่ไหมยิ่งคิดทําไปงนั้นเนี่ยกับไม่เป็นสมาธิแล้วก็ไม่หายปวดคําว่าไม่หายปวดเนี่ยแสดงว่าคุณเจ้าของคําถามนี่ต้องการให้มันหายปวดเข้าใจไหมแสดงว่าคุณยังมีความอยากอยู่ในจิตว่าเอยฉันต้องหายปวดฉันจะต้องสบายอันนี้คุณเข้าใจผิดนั่งสมาธิไม่ได้เอาความสบายก็จะไม่ได้เอาสุขเวญนาบุ้ยง่ายนะแต่ว่านั่งสมาธิเนี่ย เอาความเข้าใจที่ถูกต้องทีนี้พอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วไอ้ความปวดมันอาจจะยังมีอยู่หร si eh ืออานจะหายไปนี่เรื่องของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนว่าเราจะไม่ได้เอาความหายปวดนะเราจะไม่ได้เอาความสุขไม่ได้เอาตรงนี้แต่มันอาจจะผ่านอยู่มันอาจจะผ่านความสุขอยู่มันอาจจะผ่านความหายปวดอยู่แต่เราไม่ได้เอาตรงนั้นนี่คือข้อที่1ที่ต้องเข้าใจก่อนค่ะแล้วข้อที่2 okay. เรื่องของวิธีการในการที่จะข้ามไปได้ที่บอกว่าจะเข้าใจก็เข้าใจเนี่ยทํำยังไง <Okay. S 1> นะมีสองวิธีปริชาบอกไว้สําหรับคนสองประเภทหนะึคนประเภทแรกเนี่ยเป็นคนที่มีราคาโทสะโมหะกล้านะจะมีความหวันไหวขึ้นลงเพราะว่าราคะโทสะโมะหนืองเหนืองอันนี้คนประเภทแรกซึ่งคนที่จีจัดบ่อยแมืเรื่องมันกระทบกับปื้ดขึ้นละเรื่องมันกระทบกับปื๊ดลงละอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> อันนี้คือคนที่แบบ จีจัดมากอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแบบแสดงออก extrovert อ, อย่างเงี้ยนะหรือว่ า, าคิดมากอย่า ง, งประเภทนี้นี่คือประเภทที่1 ห, หรือประเภทที่2ก็คือคนที่มีราคาโทสะมัะเบาบางเบาบา ง, บางอาจจะขึ้นลงไม่มากมีอะไรมากระทบก็จะเย็นๆนิ่งๆอยู่ได้อาจจะรวมถึงพวก introvert หรือว่าพวกที่อาจจะคิดน้อยๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากอย่างเงี้ยนะ มีคนสองประเภทแล้ววิธีการแตกต่างกันอย่างไรแต่คนประเภทแรกที่มีราคะโตสะโมะกล้าเนี่ยก็ใช้วิธีที่เรียกว่าต้องเห็นความทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความที่มันเป็นปฏิกูลเห็นความที่มันเป็นอนัตตาเห็นความที่มันเป็นของไม่น่ายินดีคือเห็นทุกข์ของมันแต่วิธีนี้เขาเรียกว่าทุกขขาปฏิปทานะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีแรกในคําำนำของคุณพ่อเนี่ยนะเราจะใช้วิธีแรกเนี่ยก็คือเพ่งลงไปเลยมันปวดตรงไหน มันปวดตรงไหนจอไปตรงนั้นจอไป้เห็นอะไรไหนมันตัวอะไรมาปวดตัวอะไรมาปวดมันปวดความว่าปวดมันอยู่ตรงไหนเราพิจารณาไปคเนี่เราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเป็นปฏิกิริยาทางไบโอเคมีคอ้นนะคือทางชีวเคมีนะมันหลั่งสารออกมาแล้วตัวมันอยู่ตรงไหนพิจารณาไปหาไปมันไม่มีไอตัวปวดเนี่ยมันไม่มีมันก็เป็นแค่สารเคมีใช่ป่ะแล้วไอความรู้สึกนี้มันอยู่ที่ไหนมันมันไม่มีตัวตน่ะมันเป็นแค่ แค่โมเลกุลของสารเคมีมันจะหาต้นต่อไม่เจอนะัอันนี้คือคือในกรณีที่1 ห, หรือว่าเราแบบพิจารณาการโดยความเป็นของไม่เที่ยงผมกดเล็บฟันหนังลอกหนังออกนกเนื้อออกสับเป็นชิ้นๆดึงกระดูกออกมานั่นแหละเนื้อออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยเราพิจารณาตรงนี้ก็ได้นี่คือคือกรณีแรกนั่นทะำไมคนที่มีราคาโทรศัพทมอเเนี่ยถึงต้องใช้วิธีนี้ เ <Okay. S 2> พราะว่าจะใช้วิธีที่สองจะยากสรรําหรับค น, น, นที่มีราคาโทสะโมหะกล้านะเพราะวิธีที่2เนี่ยคือวิธีที่เข้าสมาธิลึกไปเลยเข้าสมาธิลึกไปเลยซึ่งคนที่ถ้า ม, มีรมาคาโทสะโมหะกล้าเนี่ยมันจะแบบขึ้นลงมีความคิดบ้าบออะไรไปเงี้ยมันจะมาให้มันนิ่งๆเนี่ยมันจะยากแล <Okay. S 2> ถ้ามันจะบ้าบอคิดไปใช่ไหมให้คุณมาคิดเรื่องความไม่เที่ยงให้คุณมาคิดเรื่องความไม่น่ายินดีให้คุณมาคิดเรื่องความเป็นทุกข์ให้คุณมาคิดเรื่องความเป็นอนัตตาอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นไง ถ้าจะฟ <Okay. S 1> ุ้งเนี่ยให้มาฟุ้งในตรงทุกขาปฏิปทาตรงนี้คิดเลยพิจารณาเลยแยกๆเลยสับเลยม้างออกปาดออกนะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะที <Okay. S 1> นี้วิธีที่สองสำหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางก็คือให้เข้าสมาธิไปให้มันลึกไป <Okay. S 1> นะคือพูดง่ายเข้าสมาธิหลบก็ไดนะ้น <Okay. S 1> ะเข้าสมาธิหลบเจ้าทุกเวทนาต่างๆนะคำ ว, ว่าหลบเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเวทนานั้นมันจะดับไปหายไป ต้องเข้าใจก่อนคาว่าอิริยาที่พระพุทธเจ้าใช้คาอธิบายเนี่ยท่านใช้คาว่าพ้นวิมุตเนี่ยแปลว่าพ้นนะพ้นเนี่ยคือมาจากศัพท์ว่าวิมุตสมมุติว่าเรานั่งสมาธิไปจิตหลุดพ้นอย่างเงี้ยนะตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คาว่าพ้นคือวิมุตคำว่าพ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหายไปคาว่าพ้นเนี่ยหมายความว่าเราจิตของเราเนี่ยมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับทางกายตรงนั้น เวทนาทางกายอาจจะมีอยู่เวทนาทางกายอาจจะมีอยู่ตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นว่าถ้ามีสารเคมีแบบนี้อยู่ในร่างกายเราก็ต้องมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็ตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจไอันนี้คือคือเหตุของมันมีความรู้สึกนั้นมันก็จะต้องมีเช่นถ้ามีเสียงหูมันก็ต้องได้ยินถ้าไม่มีเสียงหูมันจะไม่ได้ยินอะไรใช่ไมอ่ามันก็จะมีเกิดขึ้นแต่จิตของเราที่บอกว่าพ้นเนี่ยพ้นคือ พ้นจากการครอบงำของเวทนานั้นพ้นจากความครอบงำของเวทนานั้นให้เราจะต้องไปสุกตามมันหรือทุกตามมัน น, นนี่ก็เรียกว่าพ้นเพราะฉะนั้นจิตเราก็สบายๆอยู่ไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับมันว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์อย่างไรโอเคน ะ, ะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราจะให้ถึงคว่าพ้นได้เนี่ยก็มี2วิธีคือ1นนะทุกข์าปฏิปทาหรือสอง นะสุขขาปฏิปทาใช้สําหรับคนที่มีราคาโทสะโมหะแก่กล้านะถ้านี่คือแก่กล้าเนี่ยมากเนี่ยก็ใช้วิธีที่1นุขขาปฏิปตาถ้าคนที่มีราคาโทสะโมหะเบาบางก็ใช่วิธีที่2คือสุขาปฏิปตาค่ะประเด็นคือตรงนี้ว่าถ้าใช้ทั้งสองวิธีแล้วแล้วมันยังวางไม่ได้ยังไม่พ้นละ่ะมันยังปวดอยู่เงี้ยจะทำยังไง <c oughs> ใช่ไหมอันนี้แสดงว่าอินทรีย์คุณยังอ่อน การที่เราจะวางแล้วพ้นได้ น, นะนะคือสมมติเราทําวิธีใดวิธีหนึ่งใช่ไหมพ้นของไม่ว่าจะวิธีที่1 ห, หรือวิธีที่2เนี่ยจะทําให้เกิดการวางได้และพ้นได้การวางและพ้นใช่ไหมทีนี้เอาทำไมใช้ต้องสอวิธีมันยังวางไม่ได้มันยังพ้นไม่ได้ก็แสดงว่าอินทรีย์คุณยังอ่อนอินทรีย์เนี่ยคือความเป็นใหญ่ในเรื่องของจิตที่จะทําให้เกิดการพัฒนาขึ้นไปได้เนี่ยพระบุทรเจ้าบอกถึงอินทรีย์5้าอย่างนั่นคือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญา5อย่างนี้แต่ถ้า5อย่างนี้แก่กล้าคุณก็จะวางได้เร็วไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามทั้งสองวิธีนี้ <c oughs> ถ้า5้อย่างนี้คือศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอ่อนจะใช้ทั้งสองวิธีวิธีใดก็วิธีหนึ่งก็ตามก็จะวางได้ชา้า <c oughs> ก็จะไม่เกิดความพ้นเนี่ยได้ชา้าแต่เพราะฉะนั้นอินทรีย์ตรงนี้มันก็ปรับได้นะปรับได้ให้มีความแก่กล้าได้ เช่นว่าถ้าคนยังเป็นหนุ่มอยู่ยังประมาทอยู่บางทีอินทรียังออดยังประมาทในวัยและชีวิตอย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> แต่ถ้าคนที่แบบแก่แล้วหรือว่าป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยอินทรีย์ของเขาอาจจะแก่กล้าขึ้นมาได้แต่เพร <Okay. S 1> ว่าเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยละอินทรีย์มันก็จะมีความระวังขึ้นมาสติมันจะจ่อไว้จะมีการทําจริงแน่แน่จริงเริ่มจะมาศึกษาในทางคําสอนของพระเจ้าก็เป็นศรัทธาขึ้นมาเงี้ยนะ <Okay. S 1> มันก็จะทําให้เขาเกิดการวางได้และผลได้ ค่ะนะคะอ่าก็ได้คําตอบไปแล้วสําหรับคุณพรเพื่อแพ่ไปยังท่านผู้ฟังอื่นๆที่คล้ายๆกันด้วยจริงๆแล้วตกลงกับท่านเทบูลว่าวันนี้จะสนทนาเรื่องกาละมาสูตรต่อดิฉันมีประเด็นต่อเนื่องกับเรื่องที่ท่านได้กล่าวไปอะคะ่ะขออนุญาตเป็นประเด็นนี้ก่อนได้ไหมคะได้คือมีน้องที่สนิทกันมากเลยก็มาเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นนะคะบอกว่าผมเนี่ยนะถูกเพื่อนบ้านชวนไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งออืไปถึงปุ๊บ เขาก็ให้ปฏิบัติเลยเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งทั้งวันเลยนะคะ mm. แล้วครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นคนมาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านหรือไม่อย่างไรพอผ่านเสร็จปุ๊บ mm. ก็ให้มาจับฉลากคะนะท่านคะ mm. จับฉลากปุ๊บก็ได้เบอร์พอได้เบอร์ปุ๊บก็พาไปที่ที่พาไปจะเป็นบริเวณที่บอกผมไปเห็นแล้วผมตกใจมากเลยเต็มไปด้วยศพวางไว้เต็มไปหมด mm. แต่อยู่ในโรงนะคะแล้วก็เหมือนกับ ได้เบอร์ไหนก็ไปนั่งแถวแถวศพนั้นน่ะแหละบอกแล้วศพที่แต่ละคนได้ไปนั่งด้วยก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ระยะเวลากับสภาพของศพที่เป็นอะไรเสียชีวิตใช่ไหมคะอแต่ละศพก็คงไม่มีหน้าดูสักศพนึงหรอกคะ่ะมากน้อยแตกต่างกัน mm hmm. ก็ถูกกาหนดให้ไปนั่งภาวนาแถวนั้นบโอ้โห mm hmm. มันเป็นภาพบังคับแล้วพอไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นกลางคืนด้วยนะคะ hmm. อืมบอมมีเด็กตัวเล็กๆด้วยอายุยังไม่สิบขวบเนี่ยที่ ผ่านรอบตอนกลางวันแล้วก็มานั่งปฏิบัติต่อมีเสียงคนไกลๆร้องเพราะกลัวจากสภาพแวดล้อมนี้ด้วยแต่สุดท้ายตัวเขาเองมีคำภาวนานะะในการปฏิบัติรู้สึกจะใช้คำว่าพุโทโธเขาก็บอกว่าผมก็พุโทโธทีเลยนะสุดท้ายเนี่ย ปกติแล้วจะนั่งสมาธิได้เพียงครึ่งชั่วโมงก็จะเกิดอาการชาอย่างที่ฉั้นเองเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงนะคะ mm hmm. จะเป็นตัวที่บอกเลยเท้ามันจะช้ามากแต่พอภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาทีๆก็จะมีครูบาอาจารย์เนี่มารับกลับใช่ไหมคะก็มาบอกว่าพอแล้วบอกยังไม่น่าเชื่อคิดว่าผ่านไปแป๊บเดียวแต่เวลาเนี่ยผ่านไปตั้งสองชั่วโมงแล้ว mm hmm. และเขาก็หายไปในสมาธิถ้าจะพูดภาษาง่ายๆอย่างเงี้ยอธิบายได้ยังไงกันทนคะ เจ็บปวดก็ไม่มีละอ่าก็คือว่าพอเขาอยู่ต่อหน้าความทุกข์ในอยู่ต่อหน้าความทุกข์เนี่ยคือพระพุทธเจ้าได้พูดถึงกรณีหนึ่งว่าเห็นคนตายเห็นคนตายเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยแล้วเราก็เลยเร่งทําความเปลี่ยนนี่คือเป็นบุคคลอาชาในประเภทที่3ามประเภทที่3ในทั้งหมด4ประเภทนะว่าอพอเห็นคนตายอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยก็เกิดความร้อนใจขึ้น เกิดความที่ว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งว่าโอ้ฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือเขาก็พูดโธ ท, ทีทีทีทีทขึ้นมา <c oughs> นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวเพรากลัวถูกต <c oughs> ้องกลัวตรงนี้คือกลัวจากอะไรนะกลัวที่จะเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะ <c oughs> หรือว่ากลัวที่ว่ากลัวผีกลัวความตายนั่นเองแต่ตรงนี้คือเป็นฮิริโอตะปาดนั่นเองในฮิริโอตะปาดเนเกิดขึ้นดันดีคือกลัวนกลัวต่อบาปกลัวต่อความไม่ดี แตตรงนี้คือพอเขาเห็นความตายอยู่ต่อหน้าปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันตายไปเนี่ยแล้วยังไม่มีที่พึ่งเนี่ยจะทํำยังไงนะนี่คือเขาจึงปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ น, นี่ก็ที่1นึ่งข้อที่หนึ่นคือลักษณะของความร้อนใจเกิดขึ้นแต <Okay. S 1> นะ่ซึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่ที่เขาพูดถึงชัดเจนตรงนี้เลยคือกลัวผีกลัวว่าเอา่อใครจะมาทําร้ายเราใครแบบคือคือคนกลัวผีคุณยมติ๋วเนื้อหรือไหม <Okay. S 1> คือกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะ่ะ กลัวสิ่งที่เราไม่รู้มันต่างกับกลัวบาปน ะ, ะ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปฆ่าสัตว์ตียุงอย่างเงี้ยบางคนตียุงเลยโดยที่ไม่ไม่รู้สึกกลัว <c oughs> ไม่รู้สึกละอายแต่ว่าถ้าคุณกลัวรู้สึกละอายเนี่ยฉันจะตียุงฉันฉันไม่กลัวหรอกเออฉันฉันทําไม่ได้หรอกอันนี้คือคุณมีหีเรียอัตปะแต่ถ้าตีเลยเนี่ยแล้วแสดงว่าคุณไม่มีหีเรียอตัตนตะใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ความกลัวแบบเนี้ยคุณควรจะมีต้องมี ในควรจะมีอยู่ในตัวเองถ้าสมมติจะทําบาปแล้วไม่ทําแล้วมีความกลัวความนายต่อบาปอันนี้ถูกต้องแต่ว่าความกลัวชนิดที่ฉันก็ไม่ได้ทําความชั่วอะไรนะฉันไม่ได้ทําความผิดอะไรนะฉันภาวนามาดีๆเนี่ยแล้วมานั่งอยู่ต่อหน้าศพทําไมความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นความกลัวแบบนี้แหละเรียกว่าความกลัวที่เป็นอกุศลความกลัวที่เป็นอกุศลความกลัวมีทั้งแบบที่เป็นกุศลและแบบกุศลนี่ดีนะคุณควรจะต้องมีในกลัวต่อบาปพวกนี้อย่างที่ว่านะ และกลัวชนิดที่เป็นอักกุศลคือไม่ดีเนี่ย <Okay. S 1> ก็ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วทำไมยังกลัว <Okay. S 1> นี่แหละนี่แหละตรงนี้ที่ต้องจับไม่ได้ตรงนี้เราจะไม่ได้ออกมาง่ายๆนะตรงนี้นะ <Okay. S 1> พระพุทธเจ้า ต, ตรัสไว้ตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์คือเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์นะตอนนั้นพระองค์ตรัสสุดแล้วนะว่าตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าแล้วก็นกยุงทํากิ่งไม้ตกลงมาหรือว่าลมพัดกิ่งไม้ให้ไหวเนี่ย แล้วเกิดความกลัวขึ้นเกิดความกลัวขึ้นนี่ตัวพระพุทธเจ้านะตอนเป็นโพธิสัตว์นะพระองค์ก็ยังกลัวนะเราเป็นโพธิสัตวนะ์เอา้าทำไมความกลัวตรงนี้ออกมาทาั้งๆที่กายวาจาใจเราก็ไม่ได้ผิดเราไม่ได้มีนิวรณ์เราไม่ได้มีอะไรแล้วความกลัวนี่มันคืออะไรก็เลยบอกว่านี่แหละคือความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะมันฝังอยู่ลึกพอเราจับมันให้ได้เราก็จึงตั้งสติไว้ทีเลยนะโดยเขาใช้วิธีพุทธานุสติอย่างนี้ว่า <c oughs> โดยเริ่มต้นด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการใช้คำว่าพุทโธเนี่ยนะปุ๊บสติเขาตั้งขึ้นมาได้เพราะสติเขามีกําลังขึ้นใช่ไหมสติเขามีกําลังขึ้นปุ๊บสมาธิมันก็มาในบุคคลที่มีสมาสติแล้วจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้อนี้เป็นไปได้นะพอก็มีสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บเห็นตามที่เป็นจริงได้ใช่ไหมว่าอ๋อศพก็เป็นอย่างี้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้เอาทุกคนก็เป็นอย่างนี้เวลาเนี่ยมันก็เลยเป็นเครื่องที่ไม่ได้มาเป็นเหตุปัจจัยให้เราต้องไปคิดถึงมละ เขาก็บอกบอกว่าหลังจากที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วนะเขาเคเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาอเขาพูดอย่างนี้นะคะอันนี้จึงถามว่าผู้ปฏิบัติควรจะมีโอกาสที่ผ่านอาหลักสูตรแบบนี้ไหมคะวิธีการแบบนี้ไหมคะจําเป็นไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งคุณยมติวเป็นวิธีการหนึ่งคือย่งเมือ่อมันมีหลายกระบวนท่าน ะ, ะนี่ก็เป็นกระบวนท่าหนึ่งที่สามารถจะใช้ได้เป็นมรณสติ เห็นเห็นคนตายอย่างเงี้ยเราก็มามาน้อมเข้าสู่ตัวเองอันนี้เป็นมรณสติ <c oughs> หรือว่าบางทีค ร, าารูบาอาจารย์ท่านไปตามป่าตามเขาได้ยินเสียงเสือย่งเงี้ยอย่างอ า, อาจจะเคยอ่านประวัติหลวงปู่ฟัน่นหรือหลวงปู่เทศอย่างเงี้ยท่านได้ยินเสียงเสือมา ก, ก็แบบรู้สึกกลัวขึ้น <c oughs> อันนี้ก็พยายามจะฝึกจิตคนตัวเองก็ลักษณ ะ, ะแบบเดียวกันไปเข้าป่าแบบนี <c oughs> ้ซึ่งมันจะมีหลายกระบวนกาบางคนก็จะใช้ ถ้าเมตาก็ได้ฝึกปแปเมตตาบางคนจะใช้การเห็นอาหารด้วยความเป็นของปฏิกูลคือมันได้หลายอย่างนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งและจําเป็นไหมคะแล้วแต่คนนะคือเหตุปัจจัยคนมันมันก็มาต่างกันที่ที่ว่าจําเป็นเนี่ยคือต้องอยู่ในมรรคแปะนี่คือจําเป็นแต่ไม่ว่าจะวิธีที่ว่าคุณเห็นความตายหรือวิธีที่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงหรือวิธีที่ว่าคุณใช้เมตตา ก็จะอยู่ในมรรคแบบเหมือนกัน ค, คือคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความละเอียดพิสดารนะคือท่านจำแนกแจกแจงไว้หลายอย่างทีนี้บางทีเราเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งฉลาดในการใช้วิธีนี้ท่านก็จะมีกุศลบายในการสอนแบบนี้อันนี้ก็วิธีการของท่านแต่า<อ>ท่านฉลาดมาทางนี้ท่านชํานาญด้านนี้ก็จะพูดวิธีนี้อย่างงี้นะทีนี้ในคาสอนของพุทธานี่มันหลากหลายอยู่แล้ว เราจะาตรงไหนก็ได้นะ่ะเพรา ะ, ะคิดว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วหวกลัวจําเป็นด้วยหรออันนี้ไม่จําเป็นนะคะปฏิบัติแบบ ท, ที่ท่านไปบูลสอนในตอนต้นก็น่าจะพอแล้วได้สําหรับบางท่านนะคะค่ะท่านพิบูลคะสิบนาทีเพียงพอไหมคะกับการจะอธิบายการลามะมาสูตรค่ะคิดว่าได้อยู่นะประเด็นที่สําคัญสำคัญในเรื่องที่เรามักจะใช้คำว่าการลามาสูตรเนี่ยนะอันนี้คือสืบเนื่องจากคําถามของคุณสิงห์ นืที่ถามว่าเอ๊ะเราจะศรัทธาแบบไหนให้ถูกต้องร้อยซนะเพราะว่าหลักการมาสูตรที่เขาพูดๆกันอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วพระสูตรนี้ชื่อว่าเกษะปุตตสูตรนเกษะปุตตสูตรเป็นชื่อของออหมู่บ้านนั้นนิคมนั้นเขาเรียกเป็นตำบลนี่แหละนะตำบลเกษะปุตตะแล้วก็ที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมคื อ, อ, อชนนั้นก็หมู่บ้านนั้นก็จะนามสกุลเดียวกันแล้อย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะตามอีสานแต่หมูบ่นนบ้านในบ้านนอกเนี่ย หมู่บ้านนี้ก็นามสกุลบริบาลกันซะส่วนใหญ่อย่า ง, างนี้เปน็นต<ะ>้นคนในคนในหมู่บ้านนั้นเขาก็นามสกุลว่าการลามะกาลมามะ อ, อย่างพระพุทธเจ้าของเราอยู่ในวงศากยะแลก็คนทั้งเมืองนั่นแหละก็นามสกุลเดียวกันหมดสากยะอย่างนี้นะคนในหมู่บ้าน <such. S 1> เกสาปุตตานี่ก็นามสกุลเดียวกันคือการลามะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกการลามะทั้งหลายเอ๋ยก็เลยเป็นชื่อที่เรามักจะเรียกเป็นชื่อเล่นกันซะมากกว่าว่าการลามสูตรแต่ประสูตรจริงๆชื่อว่าเกาปุตตสูต ในในที่นี้ที่มักจะยกกันโดยมากเลยนะที่ว่า10อย่างใช่ไหมอย่าถือเอาว่าจริงเพราะฟังตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะว่าสักแต่ว่าทําตามตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะว่าเล่าลือกันอยู่อย่าถือว่าจริงเพราะว่ามีอ้างในปิดดอกอย่าถือว่าจริงเพราะว่าคุณคิดเอาตักกะค่ายกระเนตามเหตุผลนะอย่าถือเอาว่าจริงเพราะว่าสันนิษฐานเอาหรือว่าตรึกตามอาการบล a ๆ l a bla ไปเนี่ยจนถึงข้อที่10เนี่ยที่บอกว่าอย่าถือเอาว่าจริงเพราะว่าผู้พูดเป็นครูของตนนี่ สิบอย่างเนี่ยนะก็พออ่านแค่นี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอางั้นฉันก็ไม่เชื่ออะไรเลย <c oughs> อ่านี่ตรงนี้คือพลาดละพลาดอันนี้ไม่ใช่สาระ ส, สําคัญของพระสูตรนี้เราต้องฟังเรื่องมาตั้งแต่แรกว่าเอ้ยทำไมกาละมะทั้งหลายเนี่ยเขาถึงมาถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะว่าเหตุปัจจัยก็คือว่ามีพวกคนที่เขาสอนแบบหนึ่งเช่นบอกว่ากรรมมีนะ อ, อคนเนี่ยทํา กรรมดีแล้วพระเจ้าจะเอาขึ้นไปดีนะสามารถบรรดาสุบรรดาทุกข์ก็ได้อีกพวกหนึ่งพูดตรงกันข้ามไปเลยบอกว่ากรรมอะไรไม่มีทุกอย่างแบบไม่มีค่าไม่มีอะไรทําแล้วก็สูญไปคุณจะทําชั่วทําบาปอะไรไม่มีผลเอา้าทําไมสองคนเนี้ยสอนตรงกันข้ามกันแสดงว่าต้องมีใครสักคนใดคนหนึ่งผิดแล้วใครอ่ผิดแล้วใครอถูกงงแล้วทีนี้คระพุทธเจ้าก็จึงยกสิบข้อ น, นี้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าถือเอว่าจริงเพราะว่าแค่นี้แต่เกณฑ์การตัดสินใจคืออะไรและนี่คือเนื้อหาสาระสําคัญในระสวดนี้ต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเกณฑ์ในการที่คุณจะอาศัยว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงเกณฑ์ในการที่คุณจะอาศัยว่ามันศรัทธาได้หรือศรัทธาไม่ได้ดังนัน้นในคําสอนที่บอกว่าเฮ้ยงั้นเราจะต้องศรัทธาคําสอนของพุทธเจ้าร 0% อเอรเซาแล้วกัลยามสูตรบอกว่าอย่าพิ่งเชื่อเอาแล้วมันจะจึงจะงงกันนะแต่เกณฑ์ในการที่เราถ้าเราจะศรัทธา เราจะมีความมั่นใจลงใจคุณจะเอาเกณฑ์อะไรคุณจะเอาเกณฑ์อะไรซึ่งหลักเกณฑ์ที่รพระพุทธเจ้าให้ไว้ในเกศาพุทตสูตรเนี่ยที่บอกกับพวกชาวบ้านชาวนามสกุลกาละมะทั้งหลายเนี่ยก็คือให้หลักการไว้3ข้อหลักการไว้3าข้ออันนี้ต้องจําไม่ดีเลยนะหลักการ3ข้อนี้ไม่ใช่ไปจําเรื่องสิอย่างนั้นนะจำหลักการ3ข้อนี้คือหนึ่งเรื่องของความโลภเรื่องของความโลภว่าถ้าความโลภเกิดขึ้นแล้วเนี่ย จะทําให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเกิดขึ้นนะถ้าคนที่ทําสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ดีถ้าทําถึงมาตรฐานของมันแล้วนะคำว่าทําถึงมาตรฐานของมันเนี่ยคือคุณทําบ่อยทํามากทาเรื่อยๆทําจนเป็นศีลนะทำการไม่ดีในนั้นด้วยอํานาจของโลภะเนี่ยนะถึงอํานาจของมันแล้วจะทําให้เราเกิดความทุกข์จะทำให้เราเกิดความทุกข์ถ <Sure. S 1> ้าตรงนี้มีแล้วคุณทําแล้วคุณเห็นจริงเนี่ยนะอันนี้คุณไม่ต้องเชื่อใจก็ได้ คุณไม่ต้องเชื่อว่าฟังตามๆกันมาคุณไม่ต้องอาศัยว่ามันเล่าลือกันอยู่คุณไม่ต้องอาศัยว่าเอ้ยพระเพราะว่าพระองค์นั้นพูดแต่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าถ้ามีความโลภนี่คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สอความโกรธแล้วก็ที่3มคือความหลงโลภะโทสะโมะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครอบงำใครแล้วแล้วทําไม่ดีจนถึงมาตรฐานของมันเนี่ยจะไม่เกิดความทุกได้อันนี้แน่นอนโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นเขามาบอกสิอย่างนั้นนะในทางตรงกันข้ามก็ เหมือนกันในฐางะคนข้ามคือความไม่มีราคะความไม่มีโทสะความไม่มีโมหะถ้าคุณอาศัยความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วทําสิ่งดีๆนะทําจนถึงมาตรฐานของมันนะจะให้เกิดความสุขขึ้นคุณจะให้เกิดความสุขขึ้นโดยไม่ทําตามโลภะไม่ทําตามโทสะไม่ทําตามโมหะคุณไม่ต้องแคร์เลยว่าเรื่องนี้มันจะมีอยู่ในพระธรรมดดกไหมคุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่าเขาจะพูดกันมาว่าอย่างไรคุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่าพระองค์นั้นจะพูดอย่างไรหรือคุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่าเขาพูดตามๆกันมาอย่างไร แต่ถ้าทำสิ่งที่ไม่ใช่ราคาไม่ใช่ตัวสัมไม่ใช่โมหะจนถึงมาตรฐานเข้ามาแล้วนะคุณมีความสุขแน่นอนออนี่คือประเด็นของเกสะปุตตะส่วนนีน้น ะ, ะ, ะซึ่งคิดว่าถ้าไม่มาอธิบายแบบนี้ก็จะทำให้หลายๆคนเถียงเลยนะคะเวลาพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยดื้อกับเรื่องของธรรมะคาสอนของาศาสดาใช่ไหมคะก็บอกว่า พระพุทเจ้าไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยเพราะนั้นไม่ต้องเชื่ออะไรเลยแม้แต่กระทั่งธรรมะของพระพุทธองค์นั่นแหละหรื่องเรื่องนี้ก็เคยมีตัวอย่างการเอาไปแอพพลายใจกับท่านพระสารีบุตรเลยอาจท่านพระสารีบุตรในนี้เป็นนิทานที่มาในธรรมบทที่มีครั้งหนึ่งพระบุทรเจ้าเรย์ท่านพระสารีบุตรมาถามบอกว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าคนที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นความเพียรสติสมาธิต่อไปท่านพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อ คือคอนี่คือโดยนัยะนะแต่บทเศษนะท่านจะพูดแตกต่างกันไปเอาพระทั้งหลายก็บอกเฮ้ยทำไมท่าน菩萨ทีบุตรพูดอย่างนี้นี่แก้ปัญหาผิดแล้วเนะี่พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพวกพิสุเหล่านั้นเนี่ยมาอธิบายให้ทราบว่าจริงๆสาริบุตรเนี่ยไม่ได้ต้องเชื่อตามคําของคนอื่นแต่รู้เองเห็นเองจริงๆว่าถ้าบุคคลที่มีสาธานแล้วเนี่ยจะ ไ, ไม่เกิดวิริยะสติสมาธิปัญญาตามมาได้เพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยเห็นเองจริงๆโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่น ตรงนี้ไงจึงมีสับสับหนึ่งของคนที่เป็นโสดาบันโซดาบันนะคุณยมเติวนะโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่จะอย่างลงมั่นในคําสอนไม่ต้องเชื่ อ, เ, อ, อเรื่องการทํากุศลการทําความดีตามคําของคนอื่นค่ะไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคําสอนของศาสดาตนก็าจะ้คำนี้ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคําสอนของศาสนาตนในคําสอนของศาสนาตนนะั้นไม่ต้องเชื่อตามคนอื่น เพราะรอะไรเพราะตัวเองเห็นรู้เองแล้วได้ด้วยปัญญาในราคาโตสะโมหะคือเกณฑ์สามอย่างตรงนี้ น, น, นี่คือคสาระสำคัญของเกศปุตตสูตรที่ได้บอกกับชาวบ้านกาลละมะเหล่านั้นนะครจริงๆพระสูตรนี้เท่าที่ได้อ่านเนี่ยมีทั้งหลายหน้านะคะท่านคะี่ฉันก็เปิด<อ>ตามที่ท่านแนะนำให้เปิดอยู่ในอริยศาย์จากพระโอษพรคปลายที่รวบรวมโดยคณะของท่านเพื่อทานนะคะ ตั้งแต่หน้า 1,502 <2. S 1> จนกระทั่งถึง513ดิฉันว่าน่าสนใจมากนะคะที่จะไปศึกษากันในรายละเอียดด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะได้เข้าใจอย่างที่สังเคราะห์โดยละเอียดแต่ท่านเพบูร์เนทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นสรุปเป็นหลักเอาไปจับท่านคะอันเนี้ย เข้าใจเหมือนกับว่าเราต้องมาถามตัวเราเองถูกไหมคะว่าในเรื่องที่ฟังตามกันมาทำตามกันมาเล่าลือกันอยู่เรื่องที่ใช้เหตุผลทั้งทางตรรกะทั้งทา ง, าทา ง, ทางนัยยะอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งฟังดูน่าเชื่อกับสมณะเป็นผู้พูดเนี่ยในความรู้สึกของเราใช่ไหมคะต่อเรื่องนั้นๆไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะหรือว่าในสิ่งที่ เขานําเอามาบอกกล่าวเกณฑ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าวินยูชนนะวินยูชนคือคือคําว่าราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยอถ้าคนที่เขามีโมหะมากบางทีก็ไม่เห็นราคะของตัวเองโอเคไหมถ้าคนที่มีโมหะมากบางทีก mm ็ไม่เห็นโทสะของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาวินยูชนเป็นเกณฑ์วินยูชนเนี่ยวินยูชนนี่คือหมายถึงว่าคนที่เขาดีมีปัญญาประเสริฐค่ะเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือว่าพระอริยเจ้าเป็นต้น <c oughs> เอาตัวนี้เป็นเป็นเกณฑ์แล้วเราก็ทําสิ่งที่ไม่ใช่ราคาไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะเราจะ <c oughs> ไม่ต้องแคร์เรื่องพวกนั้นเลยที่ว่าสิบอย่างนั้นท่านคางั้นอย่างกรณีสมมุติในทางโลกที่เคลื่อนไหวกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นเลยนะคะอันนี้ก็ผ่านมาแล้วมาถึงวันนี้าสาระของร่างรัฐธรรมนูญสมมุติเป็นเรื่องที่แม้เราก็ฟังกันแล้วฟังกันอีกเลยคนนั้นก็ว่าดีไอ้คนนี้ อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ดีนะคะแล้วก็มีหลายความเห็นมากเราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาชักสับสนอย่างนี้นะคะ่ะใช้หลักนี้ไปจับได้ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะคือคือโลกที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ากฎหมายฉบับบนี้หรือฉบบนั้นนแต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าคนมีราคะาโทสะโมหะเนี่ยกฎหมายฉบับไหนก็ตามมามันก็ออกมาปูยีปูหยําได้ท่านคะถ้าเช่นนั้นดิ่ฉันจำได้ว่าท่านก็เคยให้หลักในการที่จะพิจารณา ศัดินว่าเรื่องอะไรควรทําเรื่องอะไรไม่ควรทําท่านบอกให้เอาหลักศีลไปจับเนี่ยในเรื่องแบบนี้ราคะโทสะโมหะกับศีลเนี่ยพอจะใช้ศีลแทนเรื่องกิเลสได้ไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะว่าคนที่ถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยเขาจะไม่สอนให้ล่วงภรรยาผู้อื่นเขาจะไม่สอนให้ลักขโมยจะไม่สอนให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือจะมาที่ศีลนั่นเอง ะ น, ะนะค ะ, ะท่านผู้ฟังคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่รู้จะปรึกษาใครนะหรือบางทีเราไปปรึกษาใครเขาก็ให้คําปรึกษาเราไม่ได้อ่ามันงงๆเหมือนเหมือนกันในบางเรื่องก็ใช้หลักพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกิเลสของพวกเราทุกคนนะค ะ, ะราคะก็คือความโลภใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็โทสะคือความโกรธความโกรธโมหะคือความหลงใช่ที่ท่านพิบูรณ์ได้กล่าวว่าบางคนไม่เห็น ความโลภความหลงของตัวเองเพราะว่าอความโลภความโกรธของตัวเองเพราะมีความหลงมากมีโมหะมากอันเนี้ยแม้ฟังแล้วโดนมากเลยนะคะตอ <c oughs> นนี้ฉันเชื่อว่าคนดีๆเนี่ยที่เราพบแม้กระทั่งตัวเราเองเเวลาพอดีพอดีค่ะท่านคะสงสัยถ้าท่านผู้ใด ย, ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่เข้าใจมากเพียงพอหรือว่าเข้าใจแต่อยากจะต่อไปประเด็นน้นประเด็นนี้มีคําถามก็ยังถามมาที่ท่านไพบูลผ่านทางรายการนี้ได้อีก วันนี้ต้องกราบในวส ก, การขอบพระคุณท่านไปอย่างยิ่งนะคะเยี่ยมานค่ะท่านฟังได้หลักนะคะเพราะว่าเรื่องของเกษะปุตตะสูตรซึ่งเรารู้จักกันมานานว่ากาลามะสูตรเนี่ยเพราะในส่วนกาลามะก็คงเอาชื่อของตระกูลที่อยู่ในหมู่บ้านเกษะปุตตะแต่ว่าโดยที่พระสูตรที่ถ่ายทอดกันสืบเนื่องมาใช้ชื่อเมืองที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือเกษะปุตตะเป็นชื่อของสูตรสาระสาคัญ เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้อยู่เป็นประจำนะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแล้วยิ่งทุกวันนี้โลกออนไลน์ส่งผ่านกันเร็วๆใช้หลักมีบวกกับการที่ไม่มีราคะไม่มีโทรศัไม่มีโมหะหรือว่าไม่ผิดหลักของศีลเข้าไปจับจะได้ช่วยให้การรับรู้เรื่องราวข่าวสารนั้นได้เป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุดนะคะ วันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้อ้ออีกนิดหนึ่งลืมค่ะที่จะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะท่านสามารถจะขอซ d ดีที่ทางท่านพบูลนะคะได้เมตตาทำมาให้ก็คือ021266106เป็นการสนทนาในรายการนี้กับดิฉันช่วงปีที่แล้ววันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทวัสดีค่ะ